ความสิ้นกรรมหรือดับกรรมนี้มีสอนในลทัทธิศาสนาอื่นที่ร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะลัทธินิครณลัทธินิครณสอนหลักการเรื่องกรรมเก่าเรียกเป็นศัพท์ว่าปุเพกะตะวาทะเรื่องความสิ้นกรรมเรียกเป็นศัพท์ว่ากรรมกระสัยและการทรมานตนด้วยการบำเพ็ญตบะเรียกเป็นศัพท์ว่าตโปกรรม